องสามของมัคที่ต้องใช้เสมอเป็นประจำมีองค์ของมัคอยู่สามข้อที่ต้องใช้อยู่เสมอเพื่อให้ดำเนินหรือเดินหน้าก้าวไปด้วยดีในการปฏิบัติซึ่งในภาษาบาลีปฏิบัติแปลว่าดำเนินหรือเดินทางมีองค์ของมัคอยู่สามข้อที่ต้องใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ดำเนินหรือเดินหน้าก้าวไปด้วยดีในการปฏิบัติด้วยมีบทบาทสำคัญต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมพร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นหรือเข้าใจถูกต้อง 2. สงัมมาวายามะความเพียรพยายามถูกต้องและสาม สัมมาสติสติถูกต้องเหตุที่ต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออื่นอยู่เสมอ ER นั้นเห็นได้ง่ายด้วยการเปรียบเทียบกับการเดินทางสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศให้เห็นทางและมั่นใจทางอันถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายสัมมาวายามะ เป็นเหมือนการออกแรงก้าวไปหรือแรงขับเคลื่อนผลักดันให้วิ่งลั่นไปส่วนสัมมาสติเป็นเหมือนเครื่องบังคับเช่นพวงมาลัยหรือหางเสือควบคุมระวังให้การเดินทางอยู่ในเส้นทางถูกจังหวะและหลบหลีกพ้นภัยองค์สามนี้อาจมาในชื่อที่ต่างออกไปเช่นในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปทานสี่ ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิมาในคำว่าสัมปชาโนสัมมาวายามะมาในคำว่าอาตาปีสัมมาสติมาในคำว่ า, า, ตา ส, มมา ส, ต, าาสติมาการปฏิบัติในขั้นศีลก็ตามส ม, มาธิก็ตามปัญญาก็ตามจะต้องอาศัยองค์มาก สามข้อนี้ทุกขั้นตอน